การมาวัดเป็นเหมือนกับการไปที่บริษัทประกันเวลาเราต้องการซื้อประกันชนิดต่างๆเราก็ต้องไปที่บริษัทประกันบริษัทประกันก็จะมีประกันต่างๆให้เราเลือกซื้อประกันภัยประกันน้าท่วมประกันไฟไหม้ ประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันสังคมนะประกันต่างๆเราซื้อแล้วจะทำให้เราปลอดภัยนั่นเองซื้อมีประกันแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์เสียหายขึ้นมาเราก็จะได้รับการชดเชยทำให้เราไม่ต้องสูญเสีย ทรัพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปหรือถ้าเราเสียชีวิตไปประโยชน์ที่เราทำในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ก็ยังสามารถมีประโยชน์ต่อไปให้แก่ผู้อื่นได้นี่คือประกันชนิดต่างๆ พระพุทธศาสนานี่ก็เป็นเหมือนบริษัทขายประกันเช่นเดียวกันมีทั้งประกันภัยมีทั้งประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันความความความหนุ่มความสาวใครต้องการซื้อประกันเหล่านี้ก็ต้องมาที่วัด ประการภัยของาศาสนานั้นได้แก่อะไรภัยที่เป็นภัยต่อจิตใจหรือดวงวิญญาณของพวกเราเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วจิตใจของพวกเรลานี้จะเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี้ก็มีภัยคุกคามได้ภัยที่จะคุกคามต่อดวงวิญญาณ ของผู้ตายก็คืออบายนี้เองอบายนี้มีอยู่สี่ชนิดด้วยกัน <c oughs> คือหนึ่งเดลชานสองเปรตสามอาสุลกายสี่นรกนี่คือภัยที่จะเกิดขึ้นกับดวงวิญญาณของผู้ที่ตายไปถ้าในขณะที่มีชีวิตอยู่ ไม่ได้ซื้อประกันภัยไม่ได้จ่ายเบีย้ยประกันซื้อแล้วก็ต้องคอยจ่ายเบีย้ยประกันอย่างสม่ำเสมอแล้วพอเวลาตายไปประกันก็จะป้องกันไม่ให้ไปเกิดเป็นเดลฉานไม่ให้ไปเกิดเป็นเปรตไม่ให้ไปเกิดเป็นอสสุลกายไม่ต้องไปนรกเนี่ย วิธีที่จะจ่ายเบีย้ยประกันเพื่อมาให้เราได้ต้องไปใช้กรรมในอบายไม่ต้องไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆในอบายเราก็ต้องจ่ายเบีย้ยประกันคือศีลห้าสินห้านี้เป็นเบีย้ยประกันที่จะรับประกันที่จะป้องกันใจของเรา ไม่ให้ไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆในอบายถ้าเรารักษาศีลห้าได้ถ้าเราไม่ทําบาปด้วยความหลงเราก็จะไม่ไปเป็นเดลฉานถ้าเราไม่ทําบาปด้วยความโลภเราก็จะไม่ไปเป็นเปรตถ้าเราไม่ทําบาปด้วยความกลัว เราก็จะไม่ไปเป็นอนสวรกายถ้าเราไม่ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเราก็จะไม่ไปนรกนี่คือบประกันภัยชนิดต่างๆที่พวกเราสามารถมาซื้อได้จากพระพุทธศาสนาและการจ่ายเบียรประกันก็คือให้เราปฏิบัติตาม ตามตามกฎของเบีย้ยประกันเบีย้ยประกันนี้มีห้าข้อด้วยกันสำหรับการประกันภัยคือหนึ่งอย่าฆ่าสัตว์สองอย่าลักทรัพย์สอย่าประพฤติผิดประเวณีสี่อย่าพูดปดหอย่าดื่มสุรายาเมาถ้าเราสามารถลังับการกระทา บาปเหล่านี้ได้ผลที่จะทําให้วิญญาณของเราไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นนอสุรกายไปนรกก็จะไม่มีนี่คือเรื่องของประกันภัยนอกจากประกันภัยแล้วศาสนายังมีประกันชีวิตมีประกันสุขภาพและมีประกันความ ความแก่ประกันชนิดนี้จะต้องใช้เบีย้ยต่างกับประกันที่ใช้ในการประกันภัยประกันชนิดนี้จะต้องอถือสีลสูงกว่าสีห้าคือต้องถือสีแปดแล้วก็ต้อง มีการฝึกสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาเพื่อที่จะหยุดดวงวิญญาณหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วไม่ให้ไปเกิดใหม่นั่นเองไม่ให้ไปมีร่างกายอันใหม่ถ้าไม่มีร่างกายความแก่ก็จะไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีความตายก็ไม่มี นี่แหละคือประกันที่แท้จริงประกันที่ป้องกันความแก่ป้องกันความเจ็บป้องกันความตายได้อย่างแท้จริงประกันชีวิตนี้เขายังไม่ป้องกันชีวิตซื้อประกันชีวิตหรือไม่ซื้อประกันชีวิตก็ต้องตายเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนที่ซื้อประกันชีวิตก็จะได้มีเงินทิ้งไว้ให้คนที่ยังอยู่ ได้ใช้จ่ายตามความต้องการเพราะบางที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราเป็นผู้รับผิดชอบกับผู้ที่เป็นสมาชิกของครอบครัวเราเป็นผู้หาเงินหาทองมาเลี้ยงครอบครัวแต่เราไม่รู้ว่าชีวิตของเรานี้จะยุติลงไปเมื่อไหร่ ไม่มีใครมารับประกันได้เพราะชีวิตของพวกเราอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนกฎของอนัตตาไม่มีใครไปกําหนดชีวิตของเราให้อยู่ไปกี่ปีได้เมื่อถึงเวลาที่ชีวิตจะสิ้นสุดลงมันก็จะสิ้นสุดลงดังนั้น เราไม่ต้องการที่จะให้ผู้อื่นที่เขายังต้องอาศัยเรานี้เดือดร้อนหากเราต้องตายไปเราก็เลยไปซื้อประกันชีวิตกันพอเราตายไปบริษัทประกันเขาก็จ่ายสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่เป็นทายาท ต, ต่อไปผู้ที่เป็นทาาทก็ยังมี มีเงินทองใช้ต่อไปได้ไม่เดือดร้อนแต่บริษัทประกันชีวิตไม่สามารถประกันชีวิตของผู้ที่ซื้อประกันได้แต่พระพุทธศาสน์ประกันชีวิตของพระพุทธศาสนานี้ประกันชีวิตจริงๆคือจะทำให้ไม่ตายได้ใครซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาแล้วจะไม่ตายอย่างแน่นอน ใครซื้อประกันสุขภาพของพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีวันเจ็บไข้ได้ป่วยใครซื้อประกันความแก่ของพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีวันแก่กต่อไปเนี่นี่คือประกันของพระพุทธศาสนาที่ผู้ที่ต้องการซื้อประกันชนิดนี้ จำเป็นจะต้องจ่ายเบีย้ยประกันที่สูงกว่าเบีย้ยประกันของประกันภัยประกันภัยนี้เพียงแต่จ่ายสีนห้ารักษาสีนห้าให้ได้ให้บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาก็จะไม่มีอะไรมาดึงใจให้ไปเกิดในอบายได้ แต่ยังทำให้ใจต้องกลับมาเกิดใหม่หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วถ้าไม่ได้ทำบาปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าได้ทำบุญด้วยได้รักษาศีลห้าด้วยแล้วมีโอกาสได้ทำบุญตามโอกาสต่างๆด้วย ตายไปก็จะไปเกิดเป็นเทวดาก่อนไปเที่ยวในสวรรค์ชั้นต่างๆก่อนเมื่อเที่ยวเสร็จแล้วบุญที่ส่งไปให้ไปเป็นเทวดาหมดก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เบียยประกันภัยนี้ไม่สามารถที่จะระงับ ไม่สามารถประกันความแก่ความเจ็บความตายได้บุญที่เราทำชนิดต่างๆก็เหมือนกันทำบุญทำทานสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ใส่บาทถวายสังฆทานสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนปล่อยนอกปล่อยปลาไทยชีวิตวัวควายทำบุญชนิดต่างๆเหล่านี้ ก็ไม่สามารถประกันความแก่ประกันความเจ็บประกันความตายได้เพียงแต่เป็นเหมือนเงินที่จะให้เราได้ใช้เวลาที่เราออกเดินทางจากโลกนี้ไปบุญที่เราทำนี้ก็คือเงินทิบนั่นเองเวลาที่ร่างกายตายไปใจของเราก็จะไป อยู่ในโลกทิพย์เหมือนกับเวลาที่เราเดินทางจากประเทศไทยไปต่างประเทศเวลาออกจากประเทศไทยไปแล้วเงินบาทนี้ไม่มีประโยชน์แล้วใช้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเงินบาทก่อนไปเปลี่ยนเงินบาทให้ไปเป็นเงินสกุลของประเทศที่เราจะเดินทางไปถ้าเราไปสหรัฐเราก็เปลี่ยนเป็นเงินดอล ไปเมืองจีนก็เปลี่ยนเป็นเงินหยวนไปประเทศญี่ปุ่นก็เปลี่ยนเป็นเงินเยนไปเกาหลีก็เปลี่ยนเป็นเงินวอนเป็นต้นเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนเงินบาทเวลาไปอยู่ที่นั่นเราจะเอาเงินบาทไปซื้อข้าวของไม่ได้ต้องไปมีที่เปลี่ยนก่อนต้องไปหาที่เปลี่ยนก่อนแต่ในโลกทิพย์นี้ไม่มีที่เปลี่ยนเงินบาทเป็น เป็นเงินทิปเนะีต้องเปลี่ยนก่อนที่เราจะออกจากโลกนี้ไปก่อนที่ร่างกายจะตายไปถ้าเราไม่คอยทําบุญไม่คอยเปลี่ยนเงินจากเงินที่เราใช้กันอยู่ในโลกนี้ไปเป็นเงินทิปนะเวลาตายไปนี่ดวงวิญญาณจะไม่มีเงินทิปติดตัวไปถ้าไม่มีเงินทิปติดตัวไปก็เป็นเหมือนพวกที่ พวกอพยพไปอยู่ตามชายแดนต่างๆเวลาเกิดสงครามแล้วต้องมีการอพยพกันอย่างกระทันหันไม่มีเวลาที่จะไปเปลี่ยนเงินทองไปเป็นเงินต่างประเทศพอ อ, อพยพนี้คนได้แต่ข้าวของเสื้อผ้าเงินทอง อาจจะอยู่ในธนาคารเบริกออกมาไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ตามค่ายอบพยพต่างๆเพราะไม่มีเงินที่จะไปจ่ายค่าที่พักขายจ้าจ่ายค่าอาหารถ้ามีเงินติดตัวไปก็ไม่ต้องไปอยู่ตามค่ายอบพยพไปพักตามโรงแรมไปพักตามเกสต์เฮาส์ไปพักตามสถานที่ต่างๆได้ถ้าเรามีเงินจ่าย อัในใดบุญที่เราทำกันอยู่นี่ก็เป็นเหมือนเป็นเงินที่เราจะไปใช้ในโลกทิพย์ต่อไปเพราะดวงวิญญาณของเรานี้จะต้องท่องอยู่ในโลกทิพย์นี่ถ้ามีบุญติดตัวไปมีเงินทิพย์ติดตัวไปก็จะท่องแบบเศรษฐีอยู่โรงแรมห้าดาวกินอาหารห้าดาวท่องเที่ยวระดับห้าดาว ถ้าไม่มีเงินทิพติดตัวไปก็อาจจะต้องไปอยู่แบบขอทานไม่มีเงินจ่ายค่าโรงแรมไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารไม่มีเงินจ่ายค่าท่องเที่ยวต่างๆนี่คือเรื่องของการทำบุญทำทานทำเพื่อให้เราเวลาร่างกายตายไปเราจะได้อยู่อย่างสบายในโลกทิพย์ต่อไป จนกว่าบุญที่เราทาไว้หมดลงเราก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันใหม่ต่อไปพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็ยังต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายถ้าเราไม่ได้ซื้อประกันความแก่ไม่ได้ซื้อประกันความเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ได้ซื้อประกันความตายกันนั่นเองไม่ได้ซื้อประกันชีวิตไม่ได้ซื้อประกันสุขภาพไม่ได้ซื้อประกันสังคมถ้าเราไม่ต้องการที่จะต้องมาพบกับความแก่พบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยพบกับความตายเราก็ต้องมาซื้อประกันของพระพุทธศาสนาเบี้ยประกันของ ประกันภัยชนิดนี้ปกันชีวิตประกันสุขภาพประกันความแก่นี้ก็คือการมารักษาศีลแปดกันนะครัรกษาศีลแปดแล้วก็มาหัดเจริญจิตตะภาวนาภาวนาแปลว่าการพัฒนาจิตใจส่งเสริมจิตใจบำรุงจิตใจ ให้เป็นจิตใจที่มีความสงบมีความสุขในตัวเองมีความฉลาดในการที่จะกําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่จะดึงจิตใจให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นั่นเองต้องใช้การรักษาศีนแปดที่เราเรียกว่า การถือเนกขมมะสีเนกขมมะเลือบวชเนกขมมะสีแปดขึ้นไปบางท่านอยากจะไปเร็วก็สามารถจ่ายบิประกันเพิ่มได้จากสีแปดก็ถือสีสิบไปบางท่านก็ถือสีสอง7อยสบเจ็ดสมัยพุทธกาลก็มีสีสามรอยสิบอสำหรับสุภาพสตรี ที่ต้องการที่จะให้ได้ประกันได้อย่างมั่นคงแน่นอนและรวดเร็วก็จําเป็นที่จะต้องสือ้อถือศีลเพิ่มให้มากขึ้นถ้ามีศีล น, น้อยอก็จะใช้เวลามากกว่าผู้ที่มีศีลมากเาพราะผู้ที่มีศีลมาก จะมีเวลามากในการที่จะมาเจริญจิตตภาวนานั่นเองถ้ามีศีลน้อยก็ยังอาจจะทะเลทไลายไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ก็จะมีเวลาน้อยกว่าผู้ที่ถือศีลที่มากกว่าดัางนั้นศีลจึงมีหลายระดับด้วยกันแล้วแต่ความสามารถของผู้ที่ ที่จะจ่ายเบีย้ยประกันว่ามีความสามารถจะจ่ายเบีย้ยประกันชนิดไหนบางท่านก็เริ่มต้นที่ศีล8ก่อนแล้วค่อยขยับไปที่ศีลสิบศีลสองยยบเจ็ดหรือศีลสามร้อยสิบอดตอนนี้ไม่มีภิกษุณีแล้วแต่สุภาพสติอยากจะเป็นภิกษุณีก็เป็นได้ด้วยการรักษาศีลสามอสิบอข้อนี้แหละ ไม่ต้องไปเรียกร้องไปขอร้องให้ใครมาบวชเราเป็นภิกษุณีเพราะการเป็นภิกษุณีก็คือการรักษาศีลสามร้อยสิบเอ็ข้อนี้นั่นเองไม่ได้อยู่ที่การจะต้องใบกรนหัวนุ่งเหลืองแล้วก็มีพระภิกษุภิกษุณีมารับรองว่าเราเป็นภิกษุณี ถ้าเรารักษาศีลสามร้อยสิบดข้อของภิกษุณีได้เราก็เป็นภิกษุณีทางใจลนะทางร่างกายอาจจะเป็นคนธรรมดามองไม่มีใครรู้ก็ได้แต่ทางจิตใจนี้เราเป็นภิกษุณีได้ทุกคนไม่จำเป็นที่จะต้องไปบวชที่ประเทศนู้นประเทศนี้เพื่อจะให้ได้เป็นภิกษุณี ภิกษุณีนี่อยู่ที่ศีลเหมือนกับภิกษุก็เหมือนกันภิกษุก็อยู่ที่ศีลถ้าบวชแล้วไม่รักษาศีลสองรอยิบเจ็ข้อเดี๋ยวก็ถูกจับศึกอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่บวชห่มผ้าเหลืองกลนหัวหรือไม่อยู่ที่ว่ารักษาศีลของภิกษุภิกษุณีได้หรือไม่ทั้นนั้นเอง ดังนั้นผู้ที่อยากเป็นพุทษสุนียังเป็นได้ไม่ต้องไปเดินขบวนไป อ, อกเรียกร้องจาก อ, าองค์กรมนุษธรรยธรรมอะไรต่างๆเขาไม่รู้เรื่องของพวกนี้เราไปร้องเรียนเขา mm hmm. ว่าเราเป็นผู้หญิงไม่ได้บวชเป็นเหมือนผู้ชาย แสดงว่าเราไม่มีสิทธิเท่าเทียมกันแสดงว่าศาสนาพุทธนี้ลาเอียงอันนี้องค์กรเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้ว่าทาไมผู้หญิงจึงมีสินสองร้อยสามร้อยสิบเอ็ดข้อทำไมผู้ชายยังมีสีนสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อทำไมสมัยนี้ไม่มีการบวชภิกษุณีแล้วทำไมจึงมีเหลือแต่การบวชภิกษุ อันนี้เป็นเรื่องของกฎระเบียบของศาสนาที่พระพุทธเจ้าผู้ก่อตั้งศาสนาเป็นผู้ตั้งขึ้นมาคือการที่จะบวชได้ไม่ว่าจะเป็นบวช ด, ด้วยภิกษุหรือภิกษุณีนี้จะเป็นจะต้องมีภิกษุมาเป็นผู้บวชให้ถ้าอยากจะเป็นภิกษุสมัยนี้ต้องน้อยต้องมีพระภิกษุสิบรูปขึ้นไป ถึงจะสามารถบวชให้เป็นพระภิกษุได้พรภิกษุณีก็เหมือนกันนอกจากบวชกับภิกษุณีแล้วยังต้องมาบวชกับภิกษุสงฆ์อีกแต่สมัยนี้ภิกษุณีไม่มีแล้วในสายของเถรวาทเลยไม่สามารถที่จะบวชภิกษุณีได้แต่ยังสามารถเป็นภิกษุณีได้ ทางใจก็คือไปอ่านกฎระเบียบของภิกษณุณีดูว่ามีกี่ข้อด้วยกันแล้วพยายามรักษาก็เหมือนกับเรารักษาศีลห้ารักษาศีล8ปดเราก็ไม่ต้องไปบวชนะเราเพียงแต่ไปศึกษาดูว่าศีลหมีอะไรพอเรารักษาศีลห้าได้เราก็มีประกันภัยแล้วเราก็ไม่ ต้องไปเกิดในอบายแล้วถ้าเราอยากจะไป อ, อยากจะไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็ต้องไปรักษาศีลแปดขึ้นไปเพราะศีลห้านีา้ไม่มีกำลังพอที่จะทำลายที่จะช่วยทำลาย ตัวที่ฉุดให้ใจของเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนั้นเองก็คือกิเลสตัณหาชนิดต่างๆความโลภความโกรธความหลงความอยากในกามความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนที่เป็นตัวพาให้พวกเราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ หลังจากที่เราได้ไปใช้บุญใช้บาปจนบุญกับบาปไม่มีกำลังที่จะดึงให้เราอยู่ในอบายหรือที่จะดึงให้เราอยู่ในสวรรค์ได้เราก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มามีร่างกายของมนุษย์พอมีร่างกายของมนุษย์ ก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายของมนุษย์ตามมานั่นเองดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะต้องเจอความแก่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอความตายเราก็ต้องมาถือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดนี้เป็นศีลที่ สมัครง่ายไปทุกแห่งทุกหอนนี่สามารถสมัครได้ทันทีไปวัดวันพระก็มีการให้ศีลแปดกันอใครอยากจะรักษาศีลแปดไปอยู่วัดปฏิบัติเขาก็จะให้ถือศีลแปดกันอถ้าเป็นผู้ชายอยากจะบวชบวชเนรก็ให้ถือศีลสิบบวชพระก็ให้ถือศีลสองร้อยยีิบเจ็ดข้อ ถ้าบวชภิกษุณีก็ให้ถือศีลสามร้อยสิบเอ็ดข้อด้วยกันศีลเหล่านี้จะเป็นทาหน้าที่คอยตัดกำลังของกิเลสตัณหานั่นเองเพราะกิเลสตัณหาชอบทำอะไรผิดศีลผิดธรรมนอกลู่นอกทางก็เลยต้องเอาศีลมาคอยกั้นไว้เหมือนกับถนน ถนนเวลาเราเข้าโค้งนี่เดี๋ยวนี้เขาจะต้องมีติดที่กั้นไม่ให้แหกโคง้งเพราะบางทีขับรถเร็วเกินไปเวลาเข้าโคง้งอาจจะหักเข้าโคง้งไม่ได้อาจจะต้องแหกโคง้งแต่พอมีที่กั้นก็จะปลอดภัยยังไม่ต้องตกออกไปนอกถนนอยู่ ศีลก็เป็นแบบที่กั้นตามท้องถนนต่างๆตามทางโค้งต่างๆต้องการไม่ให้แหกโค้งฉันใดผู้ที่ต้องการที่จะตัดกำลังกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่คอยผลักดันให้จิตใจต้องมาเกิดแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตาย ก็จำเป็นที่จะต้องถือศีลเมื่อถือศีลแล้วก็จะรถก็จะจิตใจก็จะอยู่ในของทํานองของธรรมอยู่ในทางสู่การปฏิบัติจิตตะภาวนาได้ถ้าไม่มีศีลเดี๋ยวมันจะออกนอกลูก่นอกทางไปะจะไม่มีจะไม่สามารถมาภาวนาได้นั่นเองอ ศีลนี้เป็นตัวที่จะต้อนจิตใจให้เข้าสู่กระบวนการของการเจริญจิตตภาวนาถ้าไม่มีศีลแปดเดี๋ยวไปดูหนังแล้วเดี๋ยวไปดูละครเดี๋ยวไปร้องลัมทาเพลงเนี่ยมือถือเนี่ยตัวสําคัญพวกนี้ถือศีลแปดจริงๆไม่ควรที่จะเปิดมือถือนอกจาก ใช้แต่เพียงโทรศัพท์เท่านั้นไม่ควรที่จะไปเปิดดูดูรูปฟังเสียงอันนี้แสดงว่าผิดศีลแปดแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะควบคุมจิตใจไม่ให้ออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสต้องไม่ดูไม่ฟังอะไรมีโทรศัพท์ไว้เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน กิมีใครที่บ้านเป็นอะไรกระทันหันต้องการความช่วยเหลือโทรเข้ามาอย่างนี้รับสายได้แต่ไม่ให้เปิดดูเพื่อดูว่าตอนนี้เหตุการณ์ทางบ้านเมืองเป็นอย่างไรรานนี้มีข้าวของชนิดไหนรุ่นใหม่ออกมาขายบ้างมีขนมขายที่ไหนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้าง ดูเรื่องราวเหล่านี้ก็เหมือนกับการแหกข้อแหกแหกออกจากถนนนั่นเองไม่วิ่งอยู่ในถนนนะนั้นถ้าผู้ที่ต้องการที่จ ะ, จะเจริญจิตตพภาวนาจริงๆ จ, จังๆแล้วต้องไม่ควรจะมีมือถือจะดีกว่าให้ปิดมือถือเลอเก็บไว้ที่ไหนที่เราไม่สามารถที่จะไป เอามาเปิดดูได้ทันทีทันใด <Yeah>. uh, ถือว่าเป็นช่วงที่เราปลอดมือถือ <Yeah. S 1> ปลอดจากรูปเสียงกลิ่นเลดนั่นเอง uh, <Yeah. S 1> เพราะถ้าเราไปยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรลดเราก็จะไม่มีเวลามาฝึกจิตมาทำจิตใจให้สงบมาสอนจิตให้ฉลาดนั่นเอง uh, <Yeah. S 1> ถ้าเราต้องการที่จะซื้อประกัน ชีวิตประกันสุขภาพประกันความแก่เราไม่ควรที่จะใช้มือถือกันหยุดใช้มือถือกันใช้เวลาที่เราจําเป็นจริงๆถ้าไม่มีความจำเป็นอย่าไปใช้มันจะดีกว่าเพราะมันจะเสียเวลาเวลาที่เราจะมาใช้กับการเจริญสติควบคุมจิตใจให้เข้าสู่ความสงบ ก็กลายเป็นเอาเวลาไปคิดฟุ้งซ่านคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันเป็นการเดินสวนทางกันแทนที่จะเดินไปข้างหน้ากับเดินถอยหลังถ้าขับรถก็แทนที่จะเข้าเกียร์เดินหน้าก็เข้าเกียร์ถอยหลังแล้วก็มาบ่นว่าทาไมรถถึงวิ่งถอยหลังทำไมวิ่งไม่วิ่งไปข้างหน้าก็เพราะเราเข้าเกียร์ถอยหลังมันก็ต้องถอยหลังลย คนที่ภาวนาแล้วบ่นว่าไม่ก้าวหน้าเลยไปปฏิบัติกี่วันก็เหมือนกับไม่ได้ไปปฏิบัตกิก็เพราะว่ามันคอยเข้าเกียร์ถอยหลังลคอยเปิดมือถืออยู่เอยคอยติดตามสาข่าวต่างๆคอยติดตามเหตุการณ์การเคลื่อนไหวต่างๆคอยติดตามบันเทิงอะไรต่างๆมากมายกายกองในในมือถือนี่เดี๋ยวนี้มีเยอะไปหมด อาหารชนิดต่างๆเดี๋ยวนี้มีคนถ่ายมาให้ดูไปกินอะไรที่ไหนก็ถ่ายมาดูแล้วพอเราไปเผอไปเปิดเจอเข้านี่ถือสินแปดอยู่ตอนเย็นพอดีเดี๋ยวตะบะแตกเี่แทนที่จะไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบเดี๋ยวไปสั่งพิซซ่ามามือถือเดี๋ยวนี้สั่งได้เนี่ยสั่งอาหารได้ จ่ายเงินผ่านมือถือได้ทุกอย่างเงนนอันตรายเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์และมีโทษเป็นเหมือนกับมีดมีดถ้าเรารู้จักใช้มันก็จะเอามาใช้ประโยชน์ได้ถ้าใช้ไม่เป็นก็เอามาทิ่มแทงมาบาดตัวเองได้นดังนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าไปใช้มันดีกว่า พยายามมาคอยควบคุมจิตใจให้เข้าข้างในเพราะใจจะสงบได้ใจต้องเข้าข้างในใจจังออกจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่ใช่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสการไปหารูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็คือการดึงใจออกมาข้างนอกนั่นเองออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย ถ้าอยากจะให้ใจสงบใจมีสมาธิมีอัปปนาสมาธิมีอุเบกขามีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงจําเป็นที่จะต้องตัดรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆออกไปจากใจอย่าให้ใจสรรหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆตัดใจเสียทิ้งมันไป ให้ดูว่าถ้าเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากความสงบแล้วความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันเป็นเหมือนเศษขยะไม่มีคุณค่าราคาเหมือนกับความสุขที่เราจะได้จากความสงบเลยยิน่นถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเหมือนเศษขยะเราจะได้ไม่ต้องไปสนใจมันแล้วให้เรามาทุ่มเทกับการ ดึงจิตดึงใจให้เข้าข้างในให้ได้เพราะว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันรอเราอยู่แล้วมันอยู่ในตัวเรานี่เองแต่เราไม่เคยสนใจเข้าไปหามันเลยเราถูกความหลงคือโมหะหลอกให้เราคิดว่าความสุขอยู่ที่ข้างนอกอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นนสดต่างๆอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวอยู่ที่ร้านอาหาร อยู่ที่โรงภาพยนต์อยู่ตามแหล่งบันเทิงต่างๆอยู่ตามสถานที่ช้อปปิ้งต่างๆเราไปหาความสุขจากสถานที่เหล่านี้แล้วเราก็กลับมาน้ำตาตกในในภายหลังมาทุกทุกเพราะเงินหมดไปเที่ยวเงินหมดทีนี้ก็ไม่รู้จะเอาเงินไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ไหนแล้ว ดีไม่ดีไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านเพราะเวลาไปเดินดูเดินเที่ยวพอเห็นอะไรชอบก็จ่ายจ่ายไปไม่เคยตรวจดูเลยว่าแล้วเงินค่าใช้ใจ่ายที่จาเป็นต่างๆจะมีจ่ายหรือเปล่าอพอมาได้สติอีกทีก็สายไปเสียแล้วจ่ายไปหมดแ ล, มแล้วต้องมาทุกเงินทองไม่พอใช้ ต้องไปอาจจะต้องไปหาเงินทองเพิ่มโดยวิธีที่ไม่ชอบอีกต้องไปหาเงินด้วยการช่อโกงด้วยการโกหกหลอกลวงแทนที่จะไปซื้อประกันกลับไปกลับไปสร้างภัยให้กับตนเองด้วยการทำบาปชนิดต่างๆอันนี้เกิดจากการที่เราไม่ตัด ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปนั่นเองถ้าเราเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เงินทองที่เราหามาได้นี้จะมีเหลือเฟือจะมีไว้พอใช้กับสิ่งที่จำเป็นคือปัจจัยสี่จะมีเงินเหลือเฟือสำหรับไว้จ่ายค่าอาหารมีเงินเหลือเฟือสำหรับจ่ายเสื้อผ้าค่าที่อยู่อาศัยค่ายารักษาโรค จะไม่มีความต้องความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินทองไม่พอใช้เพราะว่าเราจะใช้เท่าที่จําเป็นนั่นเองเงินทองจะเหลือมากจะมีเงินทองไปทำบุญมีเอาเงินทองไปเปลี่ยนไปเงินทิพย์ต่อไปได้ถ้ายังถ้ายังไม่ได้ถึงขั้นที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างน้อยตายไปก็ยังได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ก่อน นี่คือโทษของกามการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกียรดมันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเราก็รู้ไม่ใช่หรือว่าโทษของการหาความสุขจากยาเสพติดเป็นอย่างไรในที่สุดก็ต้องตายไปตายไปเพราะว่าร่างกายรับกับพิษของยาเสพติดไม่ได้ ขณะที่ไม่ตายก็ต้องทุกขทรมานเวลาที่เกิดความอยากเสพยาแล้วไม่มียาให้เสพ แ, แล้วก็อาจจะต้องไปทำผิดกฎหมายทำบาปชนิดต่างๆเพื่อไปหายาเสพมาเสพนั่นเองนี่เหมือนกันเลยรูปเสียงกลิ่นรที่เราหากันนี่ก็เป็นเหมือนยาเสพติดดีๆนี่เอง ความสุขที่ได้จากมันก็ได้ชั่วขณะที่ตอนที่เสพเท่านั้นเองพอหยุดเสพเมื่อไหร่ความสุขที่ได้ก็หายไปความอยากเสพก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ต่อไปนี่คือทำไมเราจึงต้องมาถือศีลแปดกันเพราะศีลแปดนี้จะห้ามไม่ให้เราไปเสพรูปเสียงกดลิ่นรสกันนั่นเองศีลข้อที่สาม จากศีลห้าที่ห้ามไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกับผู้ที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองก็เปลี่ยนมาเป็นห้ามร่วมหลับนอนแม้แต่คู่ครองก็ไม่ให้ร่วมหลับนอนกันให้นอนคนเดียวไม่ต้องไปหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันเพราะว่ามันเป็นความสุขปลอมความสุขที่ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอเป็นความสุขที่จะทําให้ต้องเกิดความเสียใจในภายหลัง เมื่อคู่ครองของเรามีอันเป็นไปเมื่อต้องจากกันเมื่อต้องอยู่คนเดียวความเศร้าความเหงาหงอยความว้าเหวก็จะเข้ามาถ้าเราเคยหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราให้เรามาหัดอยู่แบบคนเดียวดีกว่าเพื่อจะได้ ถ้าเราเคยชินแล้วมันจะไม่เหงาจะไม่ว้าเวจะไม่ทุก์เวลาที่ไม่มีคู่ครองอ น, นี่คือศีลข้อที่สามของศีลแปดศีลข้อที่หกก็คืออย่าหาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานเพื่ออยู่รับประทานพอให้นั่งกายไม่เดือดร้อนไม่ได้รับไม่ได้ใช้การรับประทานอาหารเป็นเครื่องมือหาความสุข เพราะมันก็เป็นความสุขประเดียวประดาวแล้วก็จะกลายเป็นโทษตามมาต่อไปเพราะจะรับประทานอาหารมากเกินไปจะมีปัญหาทางสุขภาพได้ร่างกายจะมีน้ำหนักเกินแล้วโรคภัยต่างๆก็จะตามมาโรคความดันโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไขมันอุดตนันโรคเกาโรคอะไรต่างๆ จะตามมาเพราะกินอาหารมากเกินไปต่อที่ร่างกายต้องการนั่นเองเมื่อร่างกายไม่สามารถที่จะขับพิษต่างๆของอาหารไปได้พิษต่างๆในร่างกายที่มาจากสารอาหารมันก็จะทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาแล้วก็ต้องมาทุกขกับการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ไปโรงพยาบาลนี่ไม่เห็นมีขครหัวเลาะยิ้มกันเลยมีแต่นั่งตาหน้าตาซื่มเศร้ากันนี่ไม่แต่ไม่รู้หรอกว่าเกิดจากเนี่เกิดจากการบริโภคอาหารตามความอยากกันมากจนเกินไปถ้ารับประทานอาหารพอประมาณแล้วร่างกายจะแข็งแรงแล้วร่างกายก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะไม่มี ภัยต่างๆตามมาโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันอุดตันเอโรคเกาโรคอะไรต่างๆนี้จะไม่มีเกิดขึ้นมาเพราะโรคเหล่านี้มันเกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปนั่นเองอันนี้คือศีลข้อแปดข้อศีลข้อหกคือไม่ให้รับประทานอาหารมากเกินไป แล้วประโยชน์จากการไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันก็จะทําให้เราไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการรับประทานอาหารเย็นต่อไปเราจะได้ไม่มีอะไรมาลบกวนใจหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็เริ่มภาวนาได้เลยแต่ถ้าเรายังรับประทานอาหารเย็นอยู่ใจมันก็เลยแบ่งเป็นแบ่ง ใจหนึ่งก็ต้องคิดถึงอาหารเย็นภาวนาไปก็ไม่สงบสักทีเพราะเหมือนกับรถรถไฟที่จะวิ่งพอวิ่งไปได้สักพักต้องจอดอีกแล้วมันก็เลยวิ่งไปไม่ได้เร็วเท่าที่ควรแต่ถ้าไม่ต้องกินอาหารเย็นพอหลังจากเที่ยงไปแล้วก็เริ่มภาวนาได้เลยเริ่มปฏิบัติธรรมได้เริ่มเดินจงกรมนั่งสมาธิ ทำใจให้สงบได้สามารถทําไปได้จนถึงเวลาหลับนอนเลยคือตอนสี่ทุ่มนะหรือห้าทุ่มนะักปฏิบัตินี่พระพุทธเจ้าสอนให้นอนไม่เกินคืนละสีหรือห้าชั่วโมงก็พอการที่จะไม่นอนมากส่วนหนึ่งก็เกิดจากการไม่กินอาหารมากนี่เองถ้ากินอาหารมากแล้วมันจะง่วงมากและจะนอนมากเอ มันจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมได้นี่คือประโยชน์ของศีลข้อหกการไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วจะทำให้เร า, เาไม่ง่วงเหงาหานอนเวลานั่งสมาธิก็จะไม่นั่งสับ ป, ประงกจะไม่ขี้เกียจจะขยันเดินจงกรมตัวเบาถ้ากินมากๆอิ่มแล้วมันจะขี้เกียจ มันจะมองหาแต่หมอนไม่หาทางเดินจงกรมนะเพราะว่ามันร่นางกายมันไม่ต้องการที่จะออกกำลังกายมันต้องการพักผ่อนเพราะมันรับประทานอาหารมามากนั่นเองเนะี่ยฉะนั้น ผู้ที่ต้องการที่จะเจริญจิตตภาวนานี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารอย่ารับประทานมากเกินไปจะทำให้ขี้เกียจทำให้ง่วงนอนแล้วให้มาถือศีลแปดศีลข้อที่เจ็ดเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปเสียเวลากับการไปดูอะไรต่างๆไปฟังอะไรต่างๆ เกี่ยวกับพวกมหอรศบบันเทิงดูภาพยนตร์ดูละครดูลิเกดูนิ้วลองรำทำเพลงจัดงานเลี้ยงกันแล้วก็ไม่ต้องให้สวยความเสริมสวยความงามให้เสียเวลาเสริมไปก็เท่านั้นคนคนเดียวกันเดี๋ยวเวลากลับบ้านนอนก็ต้อง ล้างออกหมดมีอะไรที่โปะไว้ที่หน้าก็ต้องล้างออกหมดเผ่าผมที่ทำไว้แทาเป็นแทบตายเดี๋ยวก็ยุ่งเหยิงหมดอยู่ดีฉนั้นอย่าไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้เอาเวลาที่หมดไปกับการหาความสุขเหล่านี้มาหาความสุขที่วิเศษที่มีอยู่ในใจของเราดีกว่าคือมาหัดภาวนามาเจริญส ม, มถภาวนา มาหัดเดินจงกรมกันเดินจงกรมเพื่อจเจริญสติสตินี่เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดึงจิตให้เข้าสู่ข้างในสตินี่เป็นเหมือนวัวควายที่คอยลากเกวียนถ้าเกวียนไม่มีวัวไม่มีควายเกวียนมันจะไปเองไม่ได้เกวียนนี้ต้องมีวัวมีควายคอยลากมันถึงจะไปไหนมาไหนได้ ฉหนใดใจจะเข้าข้างในได้จำเป็นจะต้องมีสติดึงข้อเพราะว่าถ้าไม่มีสติดึงมันจะมีแต่ตัวคอยดันออกตัวที่จะคอยดันใจออกพ้างนอกคืออะไรก็คือกามั่ฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี่พอไม่มีสติภั๊บพอเผลอปั๊ บ, บ, บเดี๋ยวคิดถึงขนมละเดี๋ยวคิดถึงภาพยนตโยชน์ะเดี๋ยวคิดถึงละครละ เดี๋คิดถึงเพื่อนนะคิดถึงมือถือแล้วมันจะคิดออกไปข้างนอกตลอดเวลาเราจึงต้องใช้สติคอยควบคุมความคิดเหล่านี้อย่าปล่อยให้มันคิดด้วยการเจริญสติด้วยการใช้พุทธานุสติก็ได้พุทธานุสติก็คือให้เราลเล่าถึงพระพุทธเจ้าให้บริกรรมให้ท่องพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆ พอมันจะคิดถึงขนมนมเนยกบพุทโธพุทโธสู้กับมันไปพอมันจะคิดถึงภาพยนตร์ละครก็พุทโธพุทโธสู้กับมันไปถ้าเรามีความอดทนมีความพเพียรพยายามให้มีพุทโธอยู่เรื่อ ย, เ, อ ย, เ, อยเดี๋ยวความคิดต่างๆก็จะหายไปพอความคิดต่างๆหายไป ใจก็จะเบาจะเย็นจะสบายจะโล่งจะว่างขึ้นมาแล้วพอเราต้องการจะให้จิตเข้าสู่ข้างในอย่างเต็มที่เราก็ต้องไปนั่งเวลาเดินนี้มันยังต้องออกมาอยู่ที่ร่างกายอยู่จิตยังต้องออกมาควบคุมให้ร่างกายเดินซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่ถ้าต้องการให้จิตเข้าข้างในจิตต้องออกจากร่างกาย ต้องหยุดใช้งานร่างกายด้วยการไปนั่งเฉยๆพอเรานั่งเฉยๆนั่งหลับตานี่เราไม่ต้องไปควบคุมมาดูแลร่างกายแล้วใจก็จะสามารถใช้พุทธโธพุทธโธดึงให้เข้าไปลึกกว่าที่เราได้จากการเดินจงกรมพอเรานั่งสมาธิเราจะพุทธโธต่อก็ได้หรือถ้าเราจะใช้การดูลมหายใจแทนก็ได้ ใช้แทนกันได้แล้วแต่ความพอใจบางทีพุทธโธมานานแล้วเหนื่อยเมื่อยอยากจะหยุดก็ลองใช้การดูลมหายใจแทนก็ได้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกที่ปลายจมูกให้รู้เฉยๆรู้ว่าลมกำลังเข้ารู้ว่าลมกำลังออกลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาว ลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหยาบก็รู้ว่าหยาบไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปบังคับลมไม่ใช่ไม่บางแห่งก็สอนว่าเวลานั่งต้องหายใจลึกๆนี่ไม่ต้องอันนี้เป็นการทำงานถ้าบังคับให้ลมหายใจลึกๆนี่ใจต้องทำงานใจไม่นิ่งต้องการให้ใจนิ่งใจไม่ต้องทำอะไรกับลมใจให้รู้เฉยๆให้ดูเฉยๆ ถึงแม้ลมจะละเอียดจนหายไปก็ไม่ต้องตื่นตกใจไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าลมหายแล้วเราจะตายหรือเปล่าไม่ตายนะถ้าเรามีสติรู้อยู่นี่ไม่มีวันตายให้รู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมก็ดูการไม่มีลมไปเรื่อยๆดูคอยควบคุมคอยระวังไม่ให้มันไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเอง พราะมันใกล้เต็มที่แล้ะใกล้จะเข้าสู่ความสงบแล้วตอนที่ลมหายไปนี้ใจกําลังจะทิ้งร่างกายทิ้งลมชั่วคราวปล่อยวางเพื่อที่จะได้เข้าข้างเข้าไปข้างในได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเราไปคิดปรุงแต่งเราก็เท่ากับถอนดึงใจถอนออกมานอย่าคิดปรุงแต่งเปน็นอันขาดให้รู้เฉ ย, เฉย แล้วจิตก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบบางครั้งก็เหมือนกับตกหลุมตกบ่อตกจากที่สูงลงมาวุบแล้วก็นิ่งสงบไปบางครั้งก็สงบเป็นขั้นๆสงบทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆสงบเป็นเหมือนเครื่องบินที่ลงบินจากที่สูงลงมาสู่สที่ตำ่ำค่อยๆเลื่อนระดับะระดับการบินลง ให้ลงมาทีละขั้นทีละขั้นจนมถึงแตะพื้นต่อไปนะัอันนั้นการรวมของจิตมีสองลักษณะรวมแบบฉับพลันรวมแบบเป็นขั้นเป็นตอนมันจะรวมแบบไหนเราก็ไม่ต้องไปกังวลเราบังคับเันไม่ได้แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่สภาวะของจิตในแต่ละครั้งที่เรานั่งสมาธิแล้วแต่สภาวะของสติที่เรามีอยู่ด้วยฉะนั้นเราไป สั่งว่าวันนี้จะต้องรวมแบบตกลุมตกบอ่อไม่ได้ต้องรวมแบบเป็นขั้นเป็นตอนไม่ได้มันจะรวมแบบไหนไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราให้เรามีสติสร้างสติจเจริญสติอยู่เพียงอย่างเดียวถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับอาการต่างๆที่อาจจะปรากฏขึ้นมาให้รับรู้ รู้ว่ามีแล้วก็อย่าไปสนใจกลับมาอยู่ที่พุทโธต่อไปหรือดูลมต่อไปต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งคือลมถ้าใช้ลมก็ต้องเกาะติดกับลมไปถ้าใช้พุทโธก็ต้องเกาะติดกับพุทโธไปมีอะไรอย่างอื่นมาให้เรารับรู้ก็อย่าไปตามรู้รู้แล้วก็ปล่อยวางกลับมาที่ลมกลับมาที่พุทโธ เราทาอย่างนี้ไปเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ต่อไป mm hmm. พอใจสงบแล้วจะมีความรู้สึกเบา อ, อกเบาใจเบา อ, อกเบาใจมีความสุขแบบที่ไม่เคยพบมาก่อนไม่ต้องถามใครพอเข้าถึงขั้นนี้แล้วมันจะรู้เองสันติโกไม่ต้องไปถามว่าความสงบเป็นยังไง เวลาเข้าถึงความสงบแบนนี้มันจะรู้ภายในใจของมันเองถ้ายังไม่เจอก็สแสดงว่ายังก็ยังไม่ใช่ถ้ายังไม่รู้ก็สแสดงว่ายังไม่ใช่ความสุขความสงบแบบนี้เราไปคาดคะเนไปปรุงแต่งไปจินตนาการไม่ได้มันไม่เหมือนของจริงเหมือนกับสถานที่ที่เราไม่เคยไปเนี่ยใครเขามาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราจินตนาการไปอย่างไรมันก็ไม่เหมือนกับของจริงหรอกต้องไปเห็นด้วยตาสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นดังนั้นผลที่จะได้จากการนั่งสมาธินี้ไม่ต้องไปคาดคะเนไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปคิดให้อยู่กับสติเพียงอย่างเดียวให้อยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไป แล้วมันจะพาเราไปพบกับความสงบที่มหัศจรรย์ใจต่อไปพอได้แล้วตอนนั้นก็ไม่ต้องทําอะไร <c oughs> ไม่ต้องไปยกจิตขึ้นมาพิ จ, จารณาไตลักพิ จ, จารณาร่างกายตอนนั้นไม่ใช่เวลาทําหน้าที่นี้ตอนนั้นมีหน้าที่คอยประครับประคองรักษาความสงบด้วยสติไว้ให้อยู่ไปนานๆเพราะาเป็น กำลังของจิตต่อไปเป็นเหมือนกับกำลังเติมน้ำมันหรือกำลังชาร์จแบตเตอรี่ตอนนั้นไม่ควรที่จะเอาจิตไปทำงานควรปล่อยให้จิตได้ชาร์จแบตได้อย่างเต็มที่ให้ได้ความสุขได้อุเบกขามากๆให้มีอยู่ในใจเพราะถ้ามีมากเวลาออกจากสมาธิมามันก็จะติดอยู่กับใจได้นาน ถ้ามีน้อยออกมาเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วเหมือนกับชาร์จแบบเนี่ยชาร์จห้านาทีกับชาร์จชั่วโมงหนึ่งนี้ไฟที่จะติดอยู่ในแบตนี้มันมีต่างกันชาร์จห้านาทีออกมาเดี๋ยวพูดโทรศัพท์ได้คำสองคำอา้าวหม ด, ดแล้วไฟหมดอแล้วแต่ถ้าชาร์จมันให้มันเต็มเลยให้มันได้เต็มร้อยก่อนร้อยเปอร์เซนแล้วทีนี้ค่อยเลิกชาร์จทีนี้ก็เอามาเปิดใช้ได้ ใช้ได้ทีละหลายชั่วโมงเลยฉันใดความสงบที่เราได้จากสมาธิอุเบกขาที่เราได้จากสมาธิเราก็จะเอามาใช้เป็นประโยชน์ตอนที่ออกจากสมาธิต่อไปเพราะเราจะมีใจที่เย็นที่จะมีเหตุมีผลใจที่ไม่มีอารมณ์จะทำให้เราสามารถต่อสู้กับกิเลสต่างๆได้ ต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงต่อสู้กับความอยากต่างๆได้เกิดความอยากถ้าใจยังมีอุบเบกขามีความสงบอยู่มันก็เฉยกับความอยากได้อยากกินขนมกินก็เฉยๆได้อยากจะดื่มเครื่องดื่มก็ถ้าไม่หิวจริงๆก็ไม่ดื่มได้นี่อันนี้ประโยชน์ของสมาธิเนี่ย ต้องให้ให้นั่งอยู่นานๆถ้าเป็นสมาธิเต็มที่แล้วจะอยู่ได้เป็นหลายสิบนาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงไม่แน่แล้วแต่กําลังของสติของแต่ละคนหรือสีบางคนนี่เข้าฌานได้เป็นเป็นวันเลยก็มีเข้าทีสามวันห้าวันเจ็ดวัน พวกนี้เวลาออกจากสมาธิมานี่จิตใจเหมือนน้ําแข็งเนะี่ยเย็นจะไม่รู้สึกตื่นเต้นตกใจเดือดร้อนกับอะไรต่างๆแต่มันไม่ถาวรเท่านั้นเองถ้าออกมานานๆเดี๋ยวมันก็ร้อนขึ้นมาได้ใหม่เดี๋ยวก็สู้กับกิเลสไม่ได้เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงต่อไปได้ถ้าอยู่ในขั้นสมาธิ ถ้าออกมาจากสมาธิแล้วใจเริ่มร้อนแล้วก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่พยายามคอยควบคุมอุณหภูมิของใจให้เย็นตลอดเวลาพอออกจากสมาธิมาพอหายเย็นก็ต้องรีบกลับเข้าสมาธิไปขั้นต้นนี้ต้องฝึกทำแบบนี้เข้าออกในสมาธิเพื่อควบคุมความเย็นของใจให้เย็นได้ทั้งวันทั้งคืนเมื่อใจเราสามารถ เราสามารถควบคุมให้บรรเย็นด้วยอุเบกขาด้วยความสงบได้ด้วยทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าจะอยู่ในอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกขั้นต่อไปเราถึงจะมาจะเจริญวิปัสสนากันมาพิจารณาตายลักษณ์พิจารณาร่างกายให้เป็นตายลักษพิจารณาเวทนาให้เห็นว่าเป็นตายลักณ์พิจารณาอารมณ์ธรรมอารมณ์ต่างๆให้เห็นว่าเป็นตายลักษณ์ เพื่อใจเราจะได้ปล่อยวางไม่ไปโลภไปอยากได้ร่างกายให้ไม่อยากได้เวทนาไม่อยากได้ธรรมอารมณ์มาให้ความสุขกับเราเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องสิ้นสุดลงพอสิ้นสุดลงความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ ถ้าเราไม่ไปอาศัยร่างกายไม่สายสายเวทนาไม่สายอาศัยธรรมอรมณ์มาให้ความสุขกับเราเราก็ไม่ทุกข์ทุกเวลาที่เขาเสื่อมไปใจที่ไม่มีความอยากกับมีความสุขมากกว่าใจที่มีความอยากเพราะธรรมชาติความสุขของใจความสุขที่แท้จริงของใจก็คือความสุขที่ปราศจากความอยากนั่นเอง คือความสุขของพระนิพพานพอความอยากต่างๆที่มีในใจถูกกำจัดไปได้หมดด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังนัตตาใจก็จะหายอยากหายหายหายโลภหายโกรธหายหลงพอไม่มีโลภโกรธหลงไม่มีความอยากใจก็จะสงบไปอย่างทาวนความอยากที่จะมาเกิดมามีร่างกายก็จะหมดไป ความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่มีอีกต่อไปนี่แหละคือการซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาต้องซื้อด้วยการมาปฏิบัติธรรมต้องถือศินแปลขึ้นไปศิลแปดสินสิบสินสองรอยยี่สิบเจ็ดสินสาม้อยสิบอดข้อเลือกเอานี่เป็นเหมือนเบี้ยรประกันของผู้ที่ต้องการที่จะซื้อประกันชนิดนี้ คือประกันความแก่ประกันความเจ็บประกันความตายจะต้องมีศีลในเบื้องต้นพอมามิถ้าไม่มีศีลจะไม่มีเวลาที่จะมาควบคุมใจให้สงบไม่มีเวลาที่จะมาสอนใจให้ฉลาดได้ยิงต้องใช้ศีลก่อนพอมีศีลแล้วก็จะมีเวลาไปฝึกสติไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบได้ตลอดเวลา ก็จะสามารถเอามาสอนทางปัญญาต่อไปได้ให้เห็นอะไรต้องอยากจะเห็นอะไรก็สามารถเห็นได้เห็นโคงกระดูกเห็นนอสุภาเห็นอะไรก็เห็นได้ถ้าจิตไม่สงบนี้มันไม่ยอมเห็นมันไม่ยอมมองกิเลสมันจะคอยกั้นเอาไว้ไม่ให้มองเห็น อาสุภาษะไม่ให้เห็นปฏิกูลของอาหารไม่ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงต้องทําใจให้สงบให้ได้ตลอดเวลาก่อนแล้วพอใจสงบแล้วทีนี้บอกให้มันดูอะไรมันก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเห็นบ่อยๆเห็นนานๆต่อไปมันก็จะจําได้แล้วต่อไปมันก็จะไม่หลงมันจะไม่มีความโลภความอยากได้อะไรอีกต่อไป พรามันจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเอพราะความหลงทําให้เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองพอเราใช้ปัญญามาพิจารณาเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้นั่นเองเมื่อเราสั่งไม่ได้เรารู้ว่ามันทุกข์เราก็ตัด ความอยากได้สิ่งต่างๆไปให้หมดเนะี่ยเมื่อปราศจากความอยากใจก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาใจก็สงบตลอดเวลาเป็นบรมมาสุขขังขึ้นมาตลอดเวลาไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป นี่คือวิธีมาซื้อประกันสองแบบของพระพุทธศาสนาซื้อประกันภัยด้วยการถือศีลห้าซื้อประกันชีวิตซื้อประกันความแก่ซื้อประกันความตายด้วยการมาถือศินแปดสินสิบส27ศีล 7, สล11แล้วก็มาเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาแล้วประกันชีวิตประกันสุขภาพประกัน ความแก่ก็จะเป็นผลตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุมโมทนาให้ผ่อน ยะถาวะไรวะหาปุราปะริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปกัรปฏิอิจิตตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยธามณิโชติอาระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตารโยสุขิทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสะนิจจังวุทฒาปะจายโนจตาร ทามาวทานติอายุวโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่กล่าวธรรส ก, การ์พระอาจารย์ค่ะเสียงไม่ดังเลยใกล้ๆกล ทาง Facebook นะคะสองรอยเก้าสิบแปดท่าน y o u t u สองร้อยสี่สิบหนึ่งท่านวิดยุออนไลน์สามสิบสองค่ะรับฟังข้างบนนี้ห้าสิบเก้าค่ะรวมทั้งสิ้นหกร้อยสามสิบท่านค่ะก็มีคนติดตามทุกวันประมาณเนี่ยหกร้อยหกร้อยกว่าบางครั้งก็ห้าร้อยกว่า <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามกันใครฟังแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจต้องการให้อธิบายใหม่ก็ยกมือขึ้นมาถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่อย่าถามหลังใหม่เนยะเพราะว่าเวลาเลิกแล้วก็ขอยุติเพราะเป็นเวลาที่หมดแรงพอดีชอบมา มาถามตอนที่เลิกประชุมแล้วตอนนี้ให้ถามไม่ยอมถามตอนมีแรงตอบก็ไม่ถามพอหมดแรงตอบจะถามแต่ยังไม่มีเอาคำถามจากทางบ้านก่อนคำถามจากทางยู u b e นะคะคุณภาคินค่ะ <c oughs> กราบถามพระอาจารย์ครับ <c oughs> จิตผู้รู้นี้ไม่ใช่วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นสัมผัสใช่ไหมครับ จิตมีวิญญาณเป็นทําหน้าที่รับรูปเสียงกลิ่นรสมาให้จิตรู้อีกทีหนึ่งจิตนี้มีทั้งวิญญาณรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสมีทั้งความจําสัญญามีทั้งเวทนาความรู้สึกมีทั้งสังขารความคิดปรุงแต่งอาการสี่ที่เรียกว่านามขันนี้เป็นอาการของจิต เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องมือของจิตเป็นเหมือนมือเท้าของร่างกายร่างกายมีมือมีเท้าไว้สําหรับไปใช้ทําอะไรต่างๆจิตผู้รู้ก็ใช้วิญญาณไปรับรูปเสียงกิริย์ลดมาให้จิตรับรู้แล้วก็ใช้สัญญามาทบทวนดูว่ารูปเสียงกิริย์ลดนี้เป็นรูปเสียงกิริย์ลดชนิดไหน คือใช้ความจําได้หมายรู้สัญญาพอรู้แล้วก็จะเกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาแล้วพอเกิดสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็จะเกิดสังขารความคิดปรุงแต่งถ้าสุขก็จะสังคิดสั่งให้ ใจไปสั่งให้ร่างกายไปเอามาเพิ่มเช่นลองกินขนมชนิดนี้อร่อยกะสั่งซื้อมาอีกโหลหนึ่งช mm hmm. อบเครื่องเดิมพอได้ชิมเครื่องเดิมชนิดนี้ถูกปากอะสั่งมาโหลหนึ่งนี่ใช้สังขารความคิดปรุงแต่งเป็นผู้สัง่งนี่คืออาการต่างๆที่ติดมากับจิตเนยจิตเป็นผู้รู้รู้เฉ ย, เฉย จิตเป็นผู้โลภผู้รักผู้ชงังผู้กลัวผู้หลงสังขาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีความโลภชังกลัวหลงความโลภความรักความชางังความกลัวความหลงอยู่ในจิตที่เราสามารถกําจัดด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนา คำถามจากทางเฟ e บ o o k นะคะจากคุณรีชาค่ะตอนนี้คุณแม่ป่วยหนักมากอยู่ไอซูมาจะเดือนหนึ่งแล้วไม่เห็นวี่แววว่าจะดีขึ้นเลยใจท่านสู้มากแค่ร่างกายท่านไม่ค่อยไหวหนูควรจะพูดยังไงกับแม่ดีคะขอคำแนะนำด้วยค่ะถามว่าแม่อยากจะหยุดรักษาไหมหยุดรักษาก็หยุดมันเถิดถ้ารักษาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันเพียงแต่ ประคองให้มันทุกทรมานไปอย่างนี้ก็หยุดรักษามันดีกว่าแต่ต้องถามแม่ว่าแม่จะเอาอย่างไรถ้าแม่อยากจะให้รักษาต่อก็รักษาไปแต่แม่บอกว่ารักษาแล้วไม่ดีขึ้นมีแต่ประคองความทุกข์ของร่างกายไว้ให้มันอยู่ไปนานๆก็ไม่รู้ไปประคองมันไว้ทาไมช่วยให้มันหยุดให้มันสิ้นสุดลงตามธรรมชาติของมันดีกว่า แต่ถ้าแม่ใจแม่แข็งใจแม่มีธรรมแล้วใจแม่จะไม่ไม่กังวลไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายจากคุณกำพลค่ะ <c oughs> การที่เราทำบุญโดยฝากคนอื่นทำแทนเราจะได้บุญเท่ากับที่เราทำเองไหมครับได้ถ้าเป็นของของเราเป็นเงินของเรา <c oughs> เราได้เท่าทำร้อยเราก็ได้ร้อยเหมือนกัน คุณสุปยูนค่ะขอคำอธิบายคำว่าศีลเสมอกันด้วยเจ้าค่ ะ, ะก็เท่ากันเงินเสมอกันคนนึงรักษาศีลห้าอคนนึงรักษาศีลแปดก็ไม่เท่ากันล่ะต้องรักษาศีลเท่ากันถึงจะศีลเสมอกันพระนี่ต้องศีลเสมอกันถึงอยู่ร่วมกันได้ถ้าพระขาดศีลข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะข้อข้อใหญ่ๆก็ขเขาก็จะไม่ให้อยู่ร่วมกัน เพราะถือว่าศีลไม่เท่ากันเนี่ยถึงมีพระสองนิกายในประเทศไทยเพราะนิกายหนึ่งถือศีล น, น้อยกว่าอีกนิกายหนึ่งคือนิกายที่เป็นนิกายใหญ่ที่เรียกว่ามาหานิกายนี้เขารดศีลลงเช่นศีลที่พระเจ้าบอกไม่ให้จับต้องเงินทองครอบครองเงินทองเขาก็ ตัดข้อศีนข้อนี้ไปเพราะเขาอ้างว่าพระพุทธเจ้าสั่งไว้ว่าถ้าเห็นว่าศีนข้อไหนไม่จำเป็นก็ตัดได้เขาก็เลยเห็นว่าศีนข้อนี้ไม่จำเป็นเพราะว่าเขาจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทองเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเวลาจะซื้อข้าวซื้อของอะไรไม่มีลูกศิษย์ที่จะมาคอยบริการให้ <S <S <S เขาก็เลยไม่ถือศีลข้อนี้ไป แต่อีกนิกายหนึ่งเ็ายังบอกว่ายังรักษาได้อยู่ก็ฝากเงินไว้กับลูกศิษย์ไว้กับคนที่เชื่อถือได้เวลาต้องการใช้ก็ให้เขาไปจัดการให้อันนี้จึงมีศีลต่างกันเลยกลายเป็นสองนิกายขึ้นมานอกจากเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องอื่นเล็กๆน้อยๆที่ไม่เหมือนกันก็เลยทำให้อยู่ร่วมกันไม่ได้ ถ้าอยู่ร่วมกันได้แต่ทําสังฆกรรมทํากิจกรรมร่วมกันไม่ได้เช่นถ้าเป็นพระออีกในกายหนึ่งไปอยู่อีกวัดหนึ่งถ้าไปครั้งแรมชั่วข้าวนี้ก็ไปอยู่ได้แต่ถ้าจะไปขออยู่ร่วมหอเป็นเหมือนกับเป็นพระแบบเดียวกันเขาก็ไม่ไม่ให้ถ้าอยากจะไปเข้ารีดกับเขาเขาต้องไปบวชใหม่อย่างสมัยพระพุทธสมัยหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านเป็นพระธรรมยุทธ์เนี่ แล้วก็มีพระครูบาอาจารย์บางรูปท่านเป็นมหานิกายแต่ท่านอยากจะไปศึกษาอยู่กับหลวงปู่มัน่นเขาก็เลยไปยตัติหรือไปศึกแล้วไปบวชใหม่บวชจากมหานิกายมาเป็นธรรมยุทธทำอย่งนี้มาหลายรูปด้วยกันจกระทั่ง หลวงปู่ช า, าก็เป็นมหานิกายก็จะมาขอยัตติอยู่กับหลวงปู่มันหลวงปู่มันมาถ้าทุกคนมาทางนี้หมดแล้วใครจะอยู่ทางนู้นละ่ะท่านก็เลยห้ามไม่ให้มายัตติบอกว่าอยู่ทางนู้นก็ได้ปฏิบัติเขาไม่ปฏิบัติเหมือนเราก็ไม่เป็นไรเราปฏิบัติของเราไปก็ได้เขาไม่ถือศีลข้อนี้เราถือของเราไปก็ได้ สายหลวงปู่ชานี่ถึงแม้เป็นมหานิกายท่านก็ไม่จับต้องเงินทองท่านก็ถือศีลบบของธรรมยุทธ์เพียงแต่ว่าไม่ได้มาทำยัติเป็นทางการเท่านั้นเองก็เลยมีสายของหลวงปู่ชาที่เป็นมหานิกายแต่ไม่เหมือนมหานิกายเหมือนธรรมยุทธ์อันนี้เรื่องของศีลเสมอกันไม่สเสมอกัน คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะในขณะที่หนูนั่งสมาธิตอนที่มีอาการปวดขามากนั้นทันใดได้ยินเสียงนกร้องรู้สึกได้ว่าใจไปมีความรู้สึกที่หูอยากได้ยินเสียงนกรู้สึกมีความสุขค่ะคิดได้ว่าใจวิ่งไปเพื่อหาความสุข หากเป็นเช่นนี้หนูควรพิจรารณาใจที่วิ่งไปวิ่งมาหรือพยายามให้หยุดอยู่กับพุทโธคะกราบพระอาจารย์ค่ะเกิดโดยธรรมชาติใจมันอยากจะหนีความทุกข์พอมีอะไรเป็นสุขมันก็จะวิ่งไปหาอยู่บ้านทุกข์พราเหงาเพราะเบื่อ พ, อ, อ, พอมีเพื่อนชวนไปเที่ยวก็ไปปุ๊บเลยแต่มันเป็นความสุขประเดี๋ยวประดาวเป็นความสุขที่เดี๋ยวก็ต้องกลับมาเจอความทุกข์ใหม่ วิธีแก้ความทุกข์แบบนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้แบบท้าวรวิธีแก้แบบท้าวรก็ต้องหัดอยู่กับความทุกข์ไปอยู่กับความเหงาไปอยู่กับความเจ็บไปเพราะความเหงาหรือความเจ็บเดี๋ยวมันก็หายไปเองมันไม่เที่ยงเมื่อเราอยู่กับมันได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันต่อไปมันจะมาหรือมันจะไปเราก็ไม่เดือดร้อนเราไม่ต้องคอยวิ่งหนีมันอยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าเราคอยวิ่งหนีความเหงาวิ่งหนีความเจ็บของร่างกายมันก็จะต้องวิ่งอยู่เลยนั่งสมาธิเจ็บปุ๊วก็ขยับอ่ะขยับเดี๋ยวนั่งอีกเดี๋ยวก็เจ็บอีกแล้วเดี๋ยวก็ขยับอีกมันก็ต้องขยับอยู่เรื่อยๆแต่ถ้านั่งแล้วปล่อยให้มันเจ็บไปเราพุโทโธพุโทโธไปหยุดความอยากที่จะหนีมันยอมอยู่กับมันไปใช้พุโทโธใช้สติหยุดความอยากหนี พอมันหยุดความอยากหนีได้ทีนี้มันก็นั่งเฉยๆกับความเจ็บได้เดี๋ยวความเจ็บมันก็หนีเราไปเองเราไม่ต้องหนีมันอ่เพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงเอความเจ็บมันก็ไม่เที่ยงความสุขมันก็ไม่เที่ยงเอได้มาปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปถ้าคอยวิ่งหาความสุขมันก็ต้องวิ่งไล่อยู่เลยหือพอได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดหมดนั้นก็ต้องไปวิ่งหามันใหม่เนีมันก็เหนื่อยหนึ่งถึงแม้จะเป็นการหาความสุขมันก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่ง ทุกในการคณะที่หาพอได้มาก็สุขเดียวเดียวพอสุขหมดไปก็ทุขกข์อีกล้วต้องไปหาใหม่อีกล้วฉนั้นสู้อยู่เฉยเฉยไม่ได้ทำใจให้เฉยเฉยให้เป็นอุเบกขาแล้วจะมีความสุขในตัวของมันเองไม่ว่ายัางอื่นจะสุขหรือจะทุกข์มันก็ไม่เป็นปัญหากับใจอีกต่อไปคำถามจากผู้รับฟังบนเขาค่ะ อยากให้หลวงพ่ออธิบายคําว่าภาวนาและมีภาวนาอะไรบ้างที่เราจะเอาไปใช้ให้มีสติคะ่ะภาวนาก็คือการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาภาวนาความหมายก็คือพัฒนาจิตใจพัฒนาจิตใจจากปุถุชนให้ไปเป็นพระอริยะบุคคลต้องใช้การภาวนา การภาวนานี่ก็มีอยู่อสองขั้นขั้นแรกเรียกว่าสมถภาวนานคือใช้สติควบคุมใจทําใจให้สงบเช่นเวลาเราบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เรากําลังเจริญสมถภาวนานหรือเวลาที่เรานั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกนี่เรียกว่าเรากําลังเจริญสมถภภาวนาน ถ้าเราทำสำเร็จก็จะเกิดอุเบกขาเกิดความสงบเกิดสมาธิขึ้นมาเกิดอัปปนาสมาธิขึ้นมาอันนี้ก็เป็นขั้นที่หนึ่งพอได้ขั้นที่หนึ่งแล้วก็ต้องทำให้มันชำนาญทำให้มันอยู่กับเราได้ตลอดเวลาพอเราสามารถรักษามันให้อยู่กับเราได้ตลอดเวลาเราก็มาทำขั้นที่สองคือมาศึกษาความจริงสอนใจให้เห็นความจริง ของสิ่งต่างๆที่เราไปคิดว่าเป็นความสุขว่ามันสุขจริงหรือสุขปลอมถ้าใช้ปัญญาพิจารณามันก็จะเห็นว่าเป็นสุขปลอมสุขเดียววเพราะว่ามันไม่มไม่เที่ยงได้อะไรมาเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปเดี๋ยวมันก็หมดไปพอเวลามันหมดไปความสุขที่ได้จากมันมันก็หายไปด้วยมันก็เลยทาให้เราทุกข์เพราะว่าเราไม่มีความสุขนั่นเอง ดังนั้นต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าความสุขที่เราหากันนั้นเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อมาเวลาที่เขาหมดไปพอรู้อย่างนี้ต่อไปใจก็จะได้เลิกหาความสุขกันที่สู้มาอยู่กับความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราดีกว่าคือความสุขที่ได้จากความสงบนี่คือภาวนามีสองระดับสมถะภาวนาทาใจให้สงบ วิปัสสนาภาวนาสอนใจให้ฉลาดอาเดี๋ยวมีผู้ชายอยากจะถามคำถามาืาเปล่าเดี๋ยวส่งไปให้เกาหน่อยช่วยพูดใกล้ๆปากหน่อยอยากจะถามแนวทางปฏิบัติกับของพระแนวทางปฏิบัติจาก อนาคามีจนถึงพระอราหันต์นะครับว่าแนวทางปฏิบัติควรเป็นอย่างไรบ้างครับ อ, อ๋อก็ต้องตัดสังโยชนอีกห้าข้อไงสังโยชนที่พระอนาคามีต้องตัดก็คืออารูปราคะคือความยินดีในรูปฌานอารูปราคะความยินดีในอรูปฌานตัดมานะคือการถือตัวตัด อุทธจจะคือการฟุ้งซ่านคือการทำความเพียนแบบเลยขอบเขตไม่มีขอบมีเขตก็จะทำให้จิตฟุ้งซ่านได้แล้วก็ตัดอวิชชาคือความหลงหรือความไม่รู้อริยสัจสีที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในจิตในขณะนั้นนี่คือสังโยชน์ที่พระอนาคามีจะต้องตัดต้องไม่ยินดีกับรูปประฌาน ไม่ติดรูปประชานพูดง่ายๆ ไ, ไม่ติดอารูปประชานไม่ถือตัวไม่ถือว่าเราดีกว่าเขาสูงกว่าเขาหรือเท่าเขาหรือต่ำกว่าเขาถือว่าจิตเป็นผู้รู้เหมือนกันหมดไม่มีใครสูงใครต่ำกว่ากันจิตก็เป็นผู้รู้มีขันธ์สี่เหมือนกันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันเพียงแต่ความหลงอวิชชา มาหลอกให้เราคิดปรุงว่าเราเป็นดีกว่าเขาต่ำกว่าเขาเท่าเขาเพราะเราไปวัดด้วยสิ่งอย่างอื่นวัดด้วยเงินทองวัดด้วยความรู้ความฉลาดอันนี้ต่างกันแต่สิ่งที่ไม่ต่างกันก็มีสิ่งที่ไม่ไม่ต่างกันก็คือดวงจิตของแต่ละดวงเหมือนกันเป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกันแล้วแนวทางการตัดนี้ พะอาจารย์แนะนำยังไงบ้างครับอ้าวก็ต้องเวลามันโผล่ขึ้นมาก็ตัดมันสิพออยากจะไปเข้าฌานก็ไม่ต้องเข้าฌานเคยติเคยเคยเข้าฌานเคยหาความสุขกับฌานต่อไปนี้เลือกหาความสุขจากมันอยู่แบบไม่ต้องมีความสุขอยู่อยู่แบบไม่มีความอยากดีกว่าเอเวลาอยากจะเข้ารูปอรูปฌานก็ไม่ต้องเข้าอรูปฌาน เวลาถือตัวก็ต้องตัดว่าเราไม่มีตัวตนเหมือนประมาณว่าสอนจิตไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ เ, เวลามันเกิดความอยากต่างๆเหล่านี้ก็ต้องหยุดมันเหมือนกับอยากไปเที่ยวก็ต้องหยุดมันหยุดมีแฟนก็ต้องหยุดมัน แล้วพอจิตมันเรียนรู้ไปหลังจากเราสอนมันเรื่อยมันก็จะค่อยๆละออกใช่ไหมอ่ามันก็จะละมันก็จะหยุดเพราะมันเห็นว่าถ้าไปติดรูปฌานอรูปฌานเวลามันเสื่อมมันจะทุกข์เพราะทุกอย่างมันต้องเสื่อมฌานก็ยังเสื่อมอยู่แล้วความละเอียดมีหลายระดับไหมครับตอนที่จะตัดของพวกเนี้ครับอ่านี้ก็ละเอียดขั้นสูงสุดแล้วแหละคันอนาคาเมนี่ขั้นละเอียดสูงสุดกว่าขั้น สกิดาคามีขั้นโสดาบันเหมือนกับว่าแค่ต้องเห็นว่ามันผล่มาตอนไหนเท่านั้นเองใช่ไหมครับแล้วก็แค้นด้วยแล้วก็ต้องหยุดมันด้วยเห็นความอยากแล้วก็ต้องหยุดความอยากนั้นด้วยอืพมีอาจารย์มีอะไรแนะนําเพิ่มไหมครับว่าวิธีการตัดที่จะทําหรือว่าก็ต้องทําตลอดเวลาอื ต, <ช>ต้อง ค, คอยเฝ้าดูจิตทุกขณะเพราะกิเลสมันแสดงตัวได้ทุกขณะทุกเวลาประมาณแค่นี้นะครับอาจารย์นะครับขอบคุณครับคำถามจากทางย t u b e นะคะจากคุณแขสีค่ะในภวังคจิตมีจิตผู้รู้ไหมคะก็ภวังคจิตก็คือจิตที่มันอยู่ในภวังค์ คำว่าผวังก็คือสงบไงจิตสงบมันที่มันมีสงบสองแบบสงบแบบหลับกับสงบแบบสมาธิสงบแบบหลับก็คือสงบแบบไม่รู้เรื่องไม่มีสติรับรู้ถ้ามีสติรับรู้ก็สงบแบบสมาธิพวังแปลว่าความสงบผู้ที่สงบก็คือจิตนั่แหละไม่ใช่แล้วต้องไปหาจิตในในวังมีจิตหมก็จิตนี่เป็นตัวเข้าพวัง ไม่อจิตนี่ยเป็นตัวเข้าผวังอย่างเรานอนหลับเราก็เข้าผวังหลับกันส่วนใหญ่เราจะไม่เคยเข้าผวังสมาธิกันพรเวลาจิตสงบปั๊บคลอกขึ้นมาทะนทีคลอกขึ้นมาทันทีอ้าวเดี๋ยวถามอ้าวดังเสียงดังๆลองพูดดังๆดูน่ะอาจารย์คะเราสําคัญไหมคะต้องเข้าผวังคะเวลานั่งสมาธิอ้าวก็นั่งสมาธิเพื่อให้มันเข้าผวังกันสิ ถ้าไม่รวังมันก็ไม่สงบมันก็ไม่สุขสิแต่อย่าไปอย่าไปเข้าภาวังหลับเท่านั้นเองอ๋อไม่หลับค่ะหมว่าควรจะเข้าภาวังใช่ไหมอ่าก็นั่งเพ่ให้มันเข้าภาวังเลยอ่าก็นั่งคาว่าภาวังก็คือสงบอค่ะอถ้านั่งแล้วไม่สงบก็เหมือนกับกินข้าวแล้วไม่อิ่มกินข้าวไม่อิ่มแล้วกินไปทำไมเนี่ะกินแล้วมันต้องให้มันอิ่ม ถ้ายังไม่อิ่มมันก็ต้องกินไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะอิ่มอ่าต่ อ, อไปคำถามจากคุณแอ้ค่ะรักษาสิลแปดในวันพระเดินจงกรมแล้วเส้นน่องตึงสามารถทำท่าบริหารยืดเส้นที่ตึงได้ไหมเจ้าะ่ะอ๋อได้ร่างกายเป็นอะไรดูแลได้เพียงแต่ให้มันดูอยู่ในที่มันเหมาะสมอ อาจจะเดินจงกรมแล้วอาจจะไปนั่งพักก่อนแล้วก่ไปนวดเส้นจับเส้นบางทีมันให้มันดูแล้วมันสวยงามพูดง่ายๆไม่ใช่เดินจงกรมไปเดี๋ยวนึกขึ้นมาอยากจะโยคะก็โยคะในทางมันอาจจะดูแล้วไม่สวยงาม <laughs> <c oughs> คำถามจากคุณบอนค่ะ เมื่อภาวนาไปจนเห็นเป็นภาพสีขาวทั้งหมดแล้วก็หมุนหมุนไปรอบรอบคืออะไรครับก็คือไม่มีสตินเสิต้องให้มีสติอยู่กับพุทโธอยู่กับลมอย่าไปดูให้หมุนหมุนอย่าไปดูให้สีขาวกลับมาดูลมต่อหรือกลับมาอยู่กับพุทโธต่ออย่าไปสนใจของพวกนี้มันเป็นอาการชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปมันไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการ คำถามจะคุณทูค่ะทำอย่างไรจิตจะนิ่งครับหลวงพ่อครับก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจพุโทโธก็ได้พุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ก็ได้หรือคอยเฝ้าดูว่าเรากำลังทำอะไรก็ได้ คำถามจากท่านเดิมนะคะถือศีลห้าแล้วจะบรรลุธรรมได้หรือเปล่าครับปฏิบัติแล้วจะได้ผลไหมครับอศีลห้าอย่างเดียวบรรลุธรรมไม่ได้ศีลห้านี้ป้องกันไม่ให้ไปเกิดนยอบายเท่านั้นถ้าต้องการบรรลุธรรมต้องเจริญวิปัสสนาสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาถึงจะบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้คำถามจากคุณพัทราวดีค่ะ ถ้าฟังบทสวดมนต์จาก y o u ูทูบแล้วสวดตามกับสวดมนต์เองโดยไม่ฟังจากที่อื่นแบบไหนจะทําให้มีสมาธิมากกว่ากันคะก็อยู่ที่ใจเราจดจอ่อหรือไม่ถ้าไม่จดจอ่อทั้งสองแบบมันก็ไม่มีสมาธิทั้งสองแบบอย่างที่เราฟังเพราะบางทีเราอาจจะสวดเองไม่ได้เรายังจําไม่ได้เราก็อาศัยคนอื่นนําไปก่อน แต่ถ้าเราสวดเองได้เราก็ไม่ต้องอาศัยคนอื่นนําเเราก็อยู่กับบทสวดของเราไปแต่สวดมันก็มีสองแบบสวดแล้วใจลอยก็มีสวดแล้วไม่ลอยก็มีอย่าสวดแล้วก็ไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตอย่างนี้สวดแบบลอยไม่เกิดประโยชน์ต้องสวดแบบไม่ลอยต้องสวดแล้วอยู่ในปัจจุบันอยู่กับบทสวดทุกคําที่เราสวดออกมา คำถามจากคุณบุญชูค่ะหลังจากที่เรานั่งสมาธิแล้วเราก็ไปทำงานปกติแล้วก็ภาวนาพุทโธไปด้วยบางทีก็มีอาการเหมือนปิติเย็นสบายมาเป็นบางครั้งอาการที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการการปรุงแต่งของจิตหรือเปล่าครับเกิดจากการใช้พุทโธไงเกิดจากการควบคุมจิตไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งถ้าคิดปรุงแต่งแล้วอาการปิติจะไม่เกิดนะ ถ้าไม่คิิดปตตแ่งจเย็ น, ยจจนำถามจากคุณนาวินค่ะนั่งสมาธิแล้วเห็นอารมณ์กิเลสเกิดดับแล้วจิตก็ค่อยนิ่งสงบแล้วหยุดอยู่ควรปฏิบัติต่อไปยังไงครับก็ให้นิ่งสงบไปนานๆเวลากิเลสปรากฏขึ้นมาก็หยุดมันให้ได้อย่าไปตามมัน ให้ใช้พุโทโธพุธโทโธหยุดมันให้จิตสงบเป็นนา น, านเพราะความสงบมีแต่คุณประโยชน์เป็นเหมือนอาหารของจิตผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเวลาพระท่านปวดเมื่อยร่างกายแต่เวลาตอกเส้นให้หมอเป็นผู้หญิงตอกเส้นให้ได้ไหมเจ้าค่าไม่ได้หรอกถ้าเป็นผู้หญิงจับต้องตัวพระไม่ได้ต้องใช้ผู้ชาย แต่สมัยนี้พระบางรูปท่านก็อนุโลมท่านบอกว่าไม่เป็นไรรักษาพยาบาลแต่ถ้าเป็นพระที่สุสปฏิปันโนท่านบอกไม่ได้ไม่ว่าผู้หญิงจะตับท่านได้ก็ตอนที่ท่านตายเท่า น, นั้นหลังนั้นแล้วท่านไม่ยอมให้แต่ต้องแม้แต่จะมาฉีดยาให้มาทวัดประลอดให้อะไรก็าตามพระปฏิบัติจึงไม่ค่อยอยากจะเข้าลงพยาบาล เพราะว่าท่านจะไม่สามารถรักษาวินัยได้เพราะาตามลงพยาบาลเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระต้องมาเข้งแบบนี้ทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีเป้าหมายอยู่ที่การที่จะทำให้มีการอารมแต่มันไม่รู้ธรรมชาติของใจของพระที่ยังมีกิเลสอยู่ถึงแม้ไม่สบายลองผู้หญิงแต่ต้องดูในกิเลสมันรู้ตื่นขึ้นมาทันที ที่ท่านต้องการป้องกันก็คือไม่ต้องการให้กิเลสมันตื่นพอมันตื่นแล้วเดี๋ยวมันมาพ่นพิษใจจิตใจของพระเดี๋ยวผ้าร้อนแล้วเดี๋ยวจะรักษาพยาบาลหายก็จะสึกไปเลยดีไม่ไดีเดี๋ยวก็ไปกับพยาบาลนั่นแนหะคําถามจากคุณทูค่ะ ไปอยู่ป่าแล้วผีจะหลอกไหมครับหลวงพ่อครับไปภาวนา อ, อ๋อผีมันหลอกได้ทุกที่เนะี่ยไม่ว่าจะอยู่ป่าหรืออยู่บ้านออผีจริงมันไม่หลอกเราที่ผีหลอกผีหลอกมันผีปลอมผีที่เราคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองเออผีจริงเขาไม่มีเวลามาหลอกลเราหรอกเขาไม่ได้เลยจากการมาหลอกเราหมดแล้วเหรอ อ, อ่ามีใครอยากจะถามอีกไหมจําจไว้นะ ผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงผีหลอกก็คือเรานหละคิดไปเองเนี่ยเย็นนี้ให้โยมอยู่ตรงนี้คนเดียวเดี๋ยวผีมาเยอะแยะไปหมด <c oughs> ถ้าเป็นผีจริงมันจะมาหลอกเร า, าทำไมมันได้จากการมาหลอกเราผีผีจริงเขาก็ไปหาความสุขในโลกทิพย์ของเขาแหละดังนั้นไม่ต้องไปกลัวผีผีจริงไม่หลอกผีผีหลอกไม่ใช่เป็นผีจริง ถ้าเจอผีหลอกก็ใช้พุทโธไล่มันไปต้องพุทโธพุทโธไปเดียวๆผีผีก็หายไปเนะี่ยเพราะใจหยุดคิดปรุงแต่งพอใจสงบแล้วผีต่างๆก็หายไปหมดเอาแล้วนวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา